ที่ว่ามีสติอยู่กับตัวถ้าสติม่อยู่กับตัวมันเลื่อรลอยแล่วออกไปอื่นแล้วไปเรื่องไหนก็ไม่ทราบนะหลายๆเรื่องรวมกันตรงนี้ทีนี้พอเรามาศึกษาเรื่องหลักการทาภาวนาจะเอาอะไรก็ได้ที่เป็นคำภาวนานราจะเอาวัตถุเป็นที่ที่เพ่งเพ่งของจิตไม่จิตดิ้นรนขนไหวดกัดแป่ง ไปหาเรื่องหื่นมากขึ้นไปแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นต้องทําความเข้าใจเส้ก่อนว่ามว่าจะทําอยู่อย่างนี้ทำไมจะทํางานได้อันนั้นเป็นความเข้าใจอีกอีกแ ง, ง่มุมหนึ่งถ้าเรามีสติแล้วเราจะเข้าใจว่ามันอาจจะดีกว่าที่ที่เราไม่มีไม่รู้กี่เท่าเช่นเราสมมติว่าเอาจิตเอาใจเนี่ยไปจดจ่ออยู่ ก็ อ, อยู่กับตรงที่เราจะใช้หลักการภาวนาเนี่ยต้องฝึกดูอย่างนี้เอาเอาหลักการไหนสมมติว่าเราจะใช้คำภาวนาว่าพุโทโธให้ตั้งฐานสติไว้ที่ไหนสมมติว่าบางตำราท่านหรือบางครูบาอาจารย์นั้นอาจจะบอกว่าทำได้ถึงเก้าฐาน <c oughs> ในกายของเรานี่เอากายเรานี่แหละเป็นฐานสติในการเริ่มต้น เช่นจะกำหนดอยู่ที่ปลายจมูกวัวตากวาหั ว, วตาซ้ายก็แล้วแต่ตรงบริเวณอุณาลมเรียกว่าตรงบริเวณหน้าผักตั้งสติไว้แล้วกำหนดภาวนาว่าพุทูธพุถโรหรือจะใช้คาอื่นก็แล้วแต่ชร้มาละหังกางกรมอมเรียกกคือกางทิศที่ท้ายถอยนี่ฐานสติทั้งนั้นสุดอคกลวง ตรงนี้ที่นี่ท่านเรียกว่าห้องอัดใช้วัตถุกลางทรวงอกหรืออาจจะเคลื่อนลงไปนิดหนึ่งเลยต้องลิ้นปี๋ที่นี่เหนือนาพีก็เรียกว่าเหนือสะดือจะให้กําหนดเอาไว้ข้างในใต้นาพีเรียกว่าใต้สะดือนี่ทั้งเ้าฐานใช้เป็นฐานสติได้ทุกฐานแล้วแต่ว่าญาติโยมไหนหรือท่านองค์หนึ่งองค์ใดจะถนัรรม ทำภาวนาใช้พูดโธก็ได้ทมโมก็ได้สังโคก็ได้พระควาก็ได้หรือเดี๋ยวนี้ที่บ้านเราเนี่ยถนัดใช้สมาหลังที่เหนือเะดือจะให้ตั้งว่าระหว่างศูนย์กลางตายอันนี้เป็นฐานของการทําสมาธิในการเริ่มต้นให้จิตมีอุบายทําให้จิตสงบนะนี่ใน ท, ท, ท, ท, ท, ทุกที่นี่เรียกว่าฐานของสมาธิจิตทั้งนั้นเราจะใช้ที่ไหนให้มันสบายสําหรับการเริ่มต้น ตั้งตรงไหนก็ได้ปลายจมูกก็ได้คือพยายามคุมตรงนี้เอาไว้ก่อนว่าเรียกให้จิตมันมาอยู่กับคำภาวนาหรือฐานสติตรงนี้ว่มามันปรากฏอะไรขึ้นก็นให้ดูไปตอนใหม่ๆก็อาจจะมีอาการแปลกๆอยู่บ้างสำหรับผู้ฝึกหัดปฏิบัติตใหม่นะท ำ, ทำไมถึงว่าแจก คำว่านี่เอาทำนาปานก็เหมือนกันนี่นําคำนาปานนี่หมายว่าเรากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกการกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยตอนแรกๆมันก็จะทํายากอยู่ทักหน่อยเพราะเราฝืนนั่นเองฝืนทําไมฝืนจิตใจเราที่มันจะสั้นไปกับความคิดที่ปรุงแต่งว่าเออไปนาเถอะไปไรเถอะไปสวนเถอะไปค้าไปขาย ไ, ไปทํางานทําการที่ไหนก็แล้วแต่ ไปสอนนังซือไปทำํำราชการงานเมืองตรงไหนก็ช่างตรงเนี้มันเป็นมันเป็นธรรมชาติของจิตที่สร้ารงเสพมาอย่างนั้นเป็นเวลายาวนานแม้แต่อาหารก็ต้องไ ป, ไปหากินอาหารนั้นลอยถูกดิ้นถูกปากเนี่ยไปอย่างนี้ทีนี้เมื่อเราจะโน้มน้าวจิตใจส่วนนี้เข้ามาหาตัวเราเราจึงต้องมีฐานให้ทําฐานให้เขา ทำฐานคือสร้างสตินี่เองสร้างฐานสติให้จิตเ mm hmm. มื่อจิตมีฐานสติเป็นที่พึ่งที่อยู่อาศัยแล้วจิตจะไม่สั้นไปอย่างนั้นเพราะมันเกิดการเปลี่ยนเปลี่ยนกว่าแนวความคิดเปลี่ยนแนวกาตรตุ้งแต่งที่จะกลับมาอยู่กับที่ที่เรากําหนดให้ที่เรากํากหนดให้สมมุติว่ากําหนดลมหายใจเข้ารูออกรูว่างั้นหรือว่าเข้าพูดออกโทรหรือคําไหนก็ได้นี่คือหมายถึงว่า เราสร้างความรู้สึกขึ้นในลักษณะอย่างนี้ทีนี้เราจะต้องตั้งฐานว่าไอ้รู้นี่รู้อยู่ตรงไหนก่อนสมมติทาตามหลักการของการหายใจเข้าสั้นออกสั้นหายใจเข้าพุทธนี่อยู่ตรงนี้นะส ม, มุตินะตรงบริเวณท่านเรียกว่าอุณาโลมหรือทิพมหาศูนยต์ตรงตรงเหนือคิ้วตรงนี้นะนี่หายใจเข้าพุทธออกโท หรือเราไม่กําหนดคําทพาก็ว่าหายใจเข้ารู้ออกรู้ฮื่อข้าวเนี้ยข้าวทางขวาเนี่ยพอออกมากําหนดว่ารู้ข้างซ้ายหรือว่าหายใจเข้าพุทธตรงเนี้ออกมาโธ่ปลายจมูกตรงเนี้นะข้าวข้างขวาเนี้ยมาถึงตรงตรงฐานฐานที่เราตั้งไว้เนี่ยเดี๋ยกําหนดว่าพุทธพอออกมาข้างใายจมูกข้างซ้ายว่าโธ่ กำหนดอยู่อย่างนี้หมุนเวียนอยู่อย่างนี้ทำไมตึงให้ทาสั้นๆก่อนเพราะทายาวมันกำหนดยากมันจะเกิดการเลื่อนลอยให้กำหนดทีน่อยคือว่าพอมันเกิดสภาวะใดหนึ่งปรากฏขึ้นก็ให้กำหนดไปอย่างต่อเนื่องบางทีมันอาจจะเกิดในขณะที่เรากำหนดอยู่อย่างนี้เห็นสีเห็นแสงเห็นความสว่างเห็นนิมิตส่วนใดส่วนหนึ่งให้กาหนดอย่างต่อเนื่องอย่าเพิ่งไป กับจดในใ น, ในเรื่องนิมิต ท, ที่ผ่านมาพอมันเกิดชัดเจนขึ้นหน่อยให้กําหนดยาวทีนี้ยยาวนี่เราจะเอายาวแค่ไหนยาวแค่สวงอกกลางสวงอกลุล่นปีให้กําหนดเข้าไปข้างในนะอย่าไวข้างนอกมันเลืเล่อนลอยมั น, ม, นมันกำหนดมันได้ฐานไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่แน่นหนาสําสหรับผู้ฝึกใหม่กําหนดเข้าไปยาวๆอย่างเนี้หายค่หายใจเข้าพุทออกโทเข้าพุทออกโท เห็นสภาวะของลมหายใจเข้าหายใจออกไหมถ้าไม่เห็นก็กําหนดจนกว่าจะเห็นบางครั้งได้แต่ออกเห็นลมออกบางครั้งได้แต่เข้ากําหนดออกไม่ทันทีนี้กำหนดไปกําหนดไปจนเห็นทั้งเข้าทั้งออกทีนี้ฐานสตินี้ให้ตั้งเอาไว้ในระหว่างกลางทรง อ, อกตรงนี้ยมันจะเคลื่อนลงไปถึงดินปีกก็แล้วแต่หรือว่า เลยขึ้นมาเหนือขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งก็ไม่เป็นไรขอให้เห็นสภาวะของฐานตรงนี้ให้ชัดเจนทั้งเข้าทั้งออกทั้งเข้าทั้งออกตอนแรกนี่จะเห็นลมขึ้นเป็นสองเส้นอย่างเนี้ยปลายลมนี่จะหยาบอยู่ปลายข้างบนเนี่ยอาจจะเป็นฝุ่นเป็นผงเป็นสีดําปนขาวปนเหลืองปนอะไรก็แล้วแต่กําหนดอยู่อย่างนั้นแต่ข้างล่างนี่จะเห็นเป็นฐานอยู่ให้ทําอย่างนี้ทีนี้นานเข้าลมทั้งสองเส้นเนี่ย ก็จะซักลากกันอยู่ให้กำหนดอย่างต่อเนื่องถ้าเห็นอย่างนั้นอย่าเพิ่งละอย่าเพิ่งปล่อยทิ้งก็เมื่อเห็นชัดเจนอย่างนั้นแล้วลมจะซักพอกันอมเหลืองอมเขาอมเหลืองขอเขาเบาลงเบาล ง, ง, ล ง, ง, ล ง, ง, ลงจะพันกันคล้ายเกี่ยวเชือ ก, ก, อ ก, กเหมือนเกี่ยวเชือกทีนี้เมื่อเมื่อลมซักพอกันพันกันเหมือนเกี่ยวเชือกก็ให้กำหนดไปอย่างต่อเนื่องทีนี้ลมหยาบลมกลางจะ เริ่มตับตัวสลายไปสลายไปสลายไปจะไปรวมตัวเป็นฐานสมาธิจิตอยู่ที่ตรงฐานที่เรากําหนดตรงกลางทรงอกหรือตรงที่ฐานที่เรากําหนดที่อยู่ข้างในเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็จะมองเห็นความสว่างอ ย, อย่างนั้นให้กาหนดอยู่อย่างตอง่อเนื่องหรือภาวนาอยู่อย่างต่อเนื่องทีนี้เมื่อลมหยาบลมส่วนนั้นตับตัวหมดเหลือฐานสมาธิจิตสว่างอยู่ ความสงบสังกัดก็จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติสังัดในกายสงัดในจิตเริ่มหายเหนื่อยกายก็เบาใจก็เบานะตรงเนี้ขั้นตอนตรงนี้ถ้าสมมติว่าท่านจะพักให้ทบทวนก่อนทบทวนตรงไหนทบทวนว่าก่อนที่เราจะทําอย่างเนี้ยทํายังไงถึงเกิดอย่างนี้ทํายังไงถึงเป็นอย่างเนี้ย ในขั้นตอนต่อไปก็ให้ทำเหมือนอย่างที่ทำคือรักษาฐานสมาธิตรงนี้ไว้ก่อนเพราะนี่เป็นขั้นตอนของการเริ่มต้นของการฝึกปฏิบัติอานาปานาสตินะขั้นตอนต่อไปนี่ถ้าหากสมมติว่าท่านยังมีกาลังพอที่จะทำอยู่อย่าเพิ่งละทิง้งถ้ามีหลายรูปอาจจะมีโยมบางก็ได้ที่พอได้อาการสงบสงัด ต, ตรงนี้แล้วรำอนาปานมา ปล่อยทิ้งไม่ได้ทบทวนแล้วก็ไม่ได้ทำต่อเนื่องที่นานไปตรงนี้มันทำยากหอีกล่าเพราะเราไม่ได้รักษาเพราะมันเป็นการเริ่มต้นในขั้นต้นเท่านั้นที่ปรากฏอย่างเนี้ยเมื่อปรากฏแล้วให้รักษาไว้ก่อนรักษาไว้เป็ น, เ ป, นเป็นเป็นแผนที่นะสองทาง เมื่อหากว่ามีเวลามากสำพอสำหรับผู้ฝึกหัดปฏิบัติให้กำหนดตรงนี้แหละว่าเบาพอจ ง, งัดพอสงบพอไหมแล้วให้น้อมก็ไปพิจนากายให้เห็นกายในกายนี่นี่ขั้นตอนต่อไปจากตรงนี้นะทำตรงนี้ให้เกิดก่อนถ้างั้นท่านไม่มีโอกาสจะได้พิจนากายในกายถ้าตรงนี้ไม่ปรากฏก่อนนี่ท่านถึงบอกว่า ให้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ า, ห า, ข า, ห, า, ขาหายใจออกให้เห็นลมชัดเจนทั้งขึ้นทั้งเข้ า, ข า, ขาทั้งออกจนลมหยาบลมนั้นปรับตัวลงปรับตัวลงลดลงลดลงซักพอกันเหมือนเกี่ยวเชือกหรืออะไรก็แล้วแต่จะเห็นฐานสติฐานสมาธิเป็นดวงใสพอดวงสว่างขึ้นสงบสงัดพอในกายแล้วให้น้อมไปพิจารณากายให้เห็นกายในกายถ้าสติสมาธิพอจะ พิจารณาเห็นกายในกายแล้วท่านจะรู้กายในกายว่ากายในกายจริงๆคือแบบไหนตามหลักที่หลักการปฏิบัตินะนี่พอเข้าไปถึงตรงนี้แล้วนะเราจะได้พิจารณากายในกายนี่นจะรู้เองตรงเนี้ยว่าเขาจะถ่ายเลยให้เราเห็นใ้เรารู้ถ้าสติสมาธิยังไม่พอยังไม่ถอดตรงนี้ออกให้รู้มเมื่อท่านพิจารณากายในกายเวทา น, นา ก็อยู่ต่อกันต่อจากกายนั่นแหะเพราะมันผ่านกายถึงจะผ่านเวทนาพอไปผ่านเวทนาก็จะผ่านจิตที่ว่าเห็นจิตเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตผ่านกันเป็นขั้นตอนที่นี้ก็บอกว่าเห็นธรรมในธรรมนี่ไม่อยู่สี่อย่างเนี้ยกายเวทนาจิตธรรมต่อเนื่องกันอยู่เมื่อผ่านอันขั้นต้นนี้แล้วให้ท่านพีรณาสมาธิว่า ท่านจะเดินไปทางไหนต้องขั้นตอนต่อจากตรงนี้นะคือท่านกำลังสารวมอยู่ในทีว่าอภิาชาแปลว่ า, าความยินดีโทมนัสแปลว่าความยินไายจิตวางตรงนี้วางความยินดียิน้ายในโลกตรงนี้เขาวางเองไม่ใช่เราคิดเอาไม่ได้คิดถึงสภาพทำสองหมวดนี้เลยจิตอยู่ในวางสายกลางศูนย์กลางท่ามกลาง ทำมันเป็นกลางๆแต่ว่ามีอุปจาระของสมาธิกำลังหนุนอยู่อุปธรรมอยู่ท่านจะเดินเข้าองค์ฌานท่านก็เดินไปไม่เดินเข้าองค์ฌานท่านจ ะ, ะตั้งสติยกจิตขึ้นพิจารณาวิปัสนาภูมิโดยยกกายานุปัาิฏฐานขึ้นมาพิจารณาองค์แรกถ้าไม่เดินเข้าฌานนี่เดินได้สองเส้นตรงนี้นะสองทาง จะผ่านไม่ผ่านไม่เข้าใจตรงนี้ให้ท่านพยายามแล้วแต่ผู้ปฏิบัตินะฮะนี่คือขั้นตอนจริงๆที่จะต้องทําหลีกไม่ได้เลยถ้าเดินอานาปานตรงนี้ถ้าผู้ใดทําได้ก็เป็นขุศสของท่านเองพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าสมัยที่พระองค์ยังทรงเป็นโพธิสัตว์อยู่เรายังไม่ได้จัดชัรู้แต่ทาโคทยังไม่ได้จัดชัรู้สัมมาทัมโพธิญาณเราอาศัยนาปาันสติสมาธิ เป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่อาศัยส่วนมากว่าอย่างนั้นเป็นที่พักที่พึ่งของจิตได้เป็นอย่างนีนะมีอา น, นิสงส์ใหญ่ท่านบอกว่าอย่างนั้นท่านปัณณาสรรพกุลเอาไว้อย่างนั้นเลยมีอา น, นิสงส์มากมีอา น, นิสงส์ใหญ่เท่ากับว่าสํำลิดผลในอนาปานสติสมาธิเนี่เท่ากับว่ า, นน า, า, า, า, วาได้แก้วสารพัดนึกถ้าจะพูดตามที่พระสูตรเก่าไว้นะครับ ทนบอกว่ามีอันนี้สงมากมีอั น, นี้สงใจถ้าเกับบรนดาลอะไรก็พอจะทําได้เพราะว่าเป็นบุญญาธิการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเป็นสายบา ร, รมีที่พระองค์ทรงสร้างมาในทศพลยันสิบเนี่ยถ้าหากว่าท่านทั้งหลายเคยศึกษาดูท่านจะเข้าใจว่าพุทธองค์เนี่ยทรงสร้างบา ร, รมีสิบทัดสามสิบทัศในทศพลยัน์มาครบเนี่ย ถึงสามารถรู้ดินฟ้าอ า, ากาศเป็อย่างงั้นแต่รู้ธรรมชาติก็คือว่ารู้รดินฟ้าอ า, ากาศนี่เองใช่ไหมแล้วต้องไปศึกษาดูแล้จะเข้าใจผู้ที่ท่านศึกษามาแล้วท่านก็คงจะเข้าใจดีว่าเพาว่ารู้ดินฟ้าอ า, ากาศหมายว่าอากาศจะเป็นยังไงแดดจะออกฝนจะตกอะไรอย่างเนี้ยอาจจะเข้าใจได้ด้วยที่กว่ารู้ธรรมชาตินะฮะนี่เอง ท่านบอกว่ามีอา น, นิสงส์ใหญ่อา น, นี้มีอา น, นิสงส์มากเพราะว่าพุทธเจ้าเนี่ยสมัยเป็นโยคยีเป็นฤือีเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็เจริญทำส่วนนี้มาเป็นอานิสก็นนั่นแม่สาวกบางท่านบางองค์ก็เหมือนกันเช่นพระอุรุเวลากตะตะเป็นโยคยีเป็นลือศีเป็นน้องชายของพระสัมมาจุตพุทธเจ้านุมาทัสสีสมัยนู้นนะมาถึงพระพุทธเจ้าหรอกพุทธเจ้าก็เลยไปแสดงธรรมตรงนี้แหละเอาสาวกทั้งพันหนึ่ง ไปพวกเธอทั้งหลายรู้แล้วไปช่วยกันประกาศทรามไวอย่างั้นเพืจะไปเอาที่ไหนดีเพราะท่านทั้งสามท่านเนี่ยสามพี่น้องเนี่ยมีคนเชื่อถือมากสมมัมนั้นเขาถือว่าท่านผู้รูเวลาคาปะสองสามพี่น้องเนี่ยเป็นอัลลาหันเจ้าเป็นดินหลายรัฐแว่นแคลนจะต้องยกให้เพราะเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชมีชื่อเสียงเกียรติยศใครก็กลัว เขายกใายเป็นอรหรัหนต์แต่วันนี้ใช่ตีความวบบเป็นอรหันต์เหมือนอริยะสาวกของพระพุทธเจ้านะตีความให้เข้าใจเขาเรียกอรหรันต์คืออรหันต์ก็หมายถึงเป็นผู้เก่งก้านั่นเองถึงไหนนะั่นมีเลือดมีเดชมีกระสินพร้อมที่จะทําอะไรได้ในหลายๆอย่างกระสินน้ากระสินดินกรสินลมกระสินไฟท่านมีเลธอดมีเดช ท, ทั้งนั้นพุทธเจ้าเราก็ทํามาไม่ใช่ไม่ทํา บำเพยนมาเป็นอันนี้กันนั้นอย่างนั้นในพุทธสภาวียนสิทถึงมีกําลังอย่างมาก <c oughs> นี่เคยถามไอ้น้องนิวดูเนะ่ยรู้เรื่องนี้หรือเปล่ารู้แล้วแต่ยังไม่ทํา <c oughs> ทําไมไม่ทําเอาไว้ลหรือรู้แล้วแต่ยังไม่ทํานะเนี่ก็อย่างนั้น <c oughs> คือไม่ทําอันไหนไม่ทําอาสวัคยายาน <c oughs> ถามว่านนี้เข้าใจนี่เข้าใจ เข้าใจเข้าใจอันนั้นเอาไว้ก่อนยังไม่ทำเนี่ยวิ่งเล่นจนโยมไม่เชื่อหรอกเห็นตัวเล่นไม่น่าเชื่อเลยนะนเนี่ยนะเนี่ยวิ่งเล่นอยู่เนี่ยบางทีอยู่ๆก็ไปบอกกรรมฐ า, านในผ้าผ้าผ้ามันยังไม่ผ่านนะผ้าเนี่าทำอย่างนี้นะทำอย่างเนี้ไม่รู้เรื่องว่าอะไรเป็นอะไรอันนี้ก็ไม่รู้มาแบบไหนเหมือนกันฉันเองก็ฉันนี้ฐานไปอย่างนั้นเองแต่ว่าที่จริงๆแล้ว ที่อยู่ปฏิบัติที่วัดนะ่ะเคยได้รับคำแนะนำจากเขามาแล้วเป็นที่ยอมรับเหมือนกันจะไม่ใช่บอกทั่วไปหรอกบวกคุณบางโอง่งนทะ่าที่นี่เคยไปอยู่ด้วยก็มีแต่ว่าถามไปถามมาจะถามเลยนักหนาก็ทำเอาเองบ้างเป็นไร <c oughs> นมาอยู่ปริบญาเดียวกับเขาหรือเปล่าไม่รู้เนะี่ยหลานอาจา ร, รย์มหาณรงคนะ์เคยไปอยู่ด้วย เป็นเหมือนกับเพื่อนกันเนี่ยเล่นอยู่ด้วยกันสนิทสนมไปไปอยู่นะ น, นี่มาด้วยเหมือนกันวันนี้ก็มาเวลาเล่นโยมจะมองไม่ออกเลยว่ายิ่งกว่าเด็กธรรมดาเนี่ยไม่รู้สนหรือไม่สนต่เวลาจะเป็นคนโตกันมาก็เป็นเดี๋ยวนั่นแหละจะเป็นเป็นบางอย่าง น, นะ น, นี่ไม่ใช่ว่าเอามาพูดโฆษณาให้โยมฟังนะ หมายความว่าพระบางท่านโยมบางคนที่เคยรู้เคยเห็นเคยได้ยินได้ฟังด้วยตัวเองก็ดีจะยอมรับว่าเป็นไปได้ยังไงท <c oughs> ําให้จะรู้ฝนจะตกแต่จะอก <c oughs> จะกอกว้จะตกค่อยจะตกแรงอีกต่างหากวนะนะี้และหลายเรื่องมันจะยมบางท่านพระบางองค์อยากไปรู้เรื่องห ว, วยเฉยๆม่นจะอยากรู้เรื่องอย่างนี้แท้ๆหรอกนะฉันสังเกลียดดูนะ เพราชอบหวยมันอยากได้หวยก็จะไปทาในเรื่องหวยนั่นแหะบางทีก็บอ๊บอกอฟวันะนึงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้โตแล้วแปดขวบจะเข้าเข้าขวบเดือนพฤศจิกาที่จะถึงเนี่ยอยู่โรงเรียนอยู่แปดขวบกว่าแ ล, วแล้วใส่เสื้อเหลืองๆนุ่งเล่นอยู่นะนะั่นถ้ามานี่เมื่อไหรจะขอมาด้วยทุกทีนอกจากว่าไปโรงเรียนนี่ท่องเอาไว้จะมาวันที่สิบหกสิบหก ท่องเอาไว้เป็นอย่างนั้นจะมาให้ได้แหละต่มาที่นี่ไม่รู้ว่ามีเสน่ห์อะไรกับที่นีนะ่นี่คือพูดเรื่องหลักการปฏิบัติขั้นเริ่มต้นเป็นบางส่วนนี่พูดเรื่องอนนาปานันใช่ไหมเหมื่อกี้เนี่ยต้องตั้งใจทำจริงๆนะครับไม่ใช่ทำเล่นๆนะถึงจะเข้าใจ ทำไมผมถึงว่าต้องจริงๆเดี๋ยวท่านจะบอกว่ามันยากเกินไปมันไม่ใช่หรอกครับอย่างน้อยๆก็หมายความว่าให้พวกเราได้พยายามศึกษาขั้นพื้นฐานดูไม่ใช่ว่าผมเอาความงม ง, งายส่วนนี้มาแจกจายนะคือผมพอเข้าใจครับในบางสิ่งบางอย่างแต่ไม่ใช่เข้าใจทั้งหมดหรอกไม่ใช่เข้าใจสูงสุดเข้าใจตรงเนี้ยตรงที่กำลังพูดอยู่เนี่ยลักษณะการจะเกิดอย่างนี้ที่ท่านผู้ที่ปฏิบัติพองยุคก็เหมือนกัน ต้องตั้งใจทําให้รู้จักพื้นฐานของสภาวะที่ปากุฏเช่นตัมื่อว่าท่านบอกว่าให้กําหนดที่หน้าท้องนะหายใจเข้าพองหายใจออกอยุบอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> อันนั้นเป็นหลักการการกําหนดทีนี้จริงจริงไหมว่าให้มันเกิดสภาวะให้เรารู้ให้เราเห็นให้เราเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นแบบไหนในสภาวะที่ที่เรากําหนดอยู่เนี่ยตอนเริ่มต้นกําหนด ไปกำหนดไปมันก็ยังไม่มีอะไรหรอกให้เราตั้งฐานสติที่หน้าท้องตามหลักการของท่านนี่เพราะว่าที่ประเทศเราเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยกาลังมีความศรัทธามีศรัทธาอยากจะศึกษาเรื่องตรงนี้แหละบางสำนักก็เอาพองบางสำแนักก็อายุแล้วก็มีของสายหลวงพ่อเทียนก็มีอยู่เยอะเหมือนกันเนี่ยอันนี้เราหาหาสมาธิขั้นพื้นฐานพูดง่า ย, ายๆว่าสมุด พูดให้เข้าใจกันว่าอย่างนี้นะหาสมาธิขั้นพื้นฐานกําหนดที่หน้าท้องเนี่ยตอนแรกมันไม่เห็นอะไรดอกเราหายใจเข้ากําหนดว่าพองหายใจออกกําหนดประยุกนานเข้านานเข้ามันก็อาจจะมีสัญญาณปีบปบปีบปบบางบางครูบาอาจารย์บางองค์ท่านบอให้กําหนดเป็นสภาวะเกิดมันมีแต่สัญญาณเฉยเฉยปีบ ป, ป, ป, ป, ปที่หน้าท้องแต่ที่จริงๆแล้วให้กําหนดลึกเข้าไปข้างใน เดี๋ยวมันจะเคลื่อนเข้าไปนะเคลื่อนเข้าไปนี่จะเห็นสภาวะพองก่อนไหมเพราพองขึ้นพองขึ้นมันจะไม่ทันนั่นเลยมันจะคาบเชือโคมันกําหนดยุบไม่ได้มันแน่นใช่ไหมเพอกําหะุดหนดหนวดยุบได้มันจะยุบยุบยุบยุบหายไปเลยบางองค์ว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นเหมือนทำไมมันเวลาพองก็ได้แต่พองเวลายุบก็ได้ยุบบางที่กําหนดอยู่อย่างนั้นบางทีมันหายวับไป คิดว่าเราไม่มีบุญไม่มีกุศลก็มีบางท่านพูดไว้อย่างนั้นเคยไปพูดกับผมนะผมเลยบอกว่าท่านเปลี่ยนความคิดใหม่ซะกำหนดปรับให้ได้ทั้งพองทั้งยุบเท่าๆกันใช่ไหมฮะตอนตอนแรกๆมันจะภาคกวอย่างนั้นแหะพอน้นๆเข้ามันก็จะเลกลงเลกลงสติเรามาสติเราพอกำหนดได้อมันก็จะเป็นอูปรูป วูบวมืนกัเราหายใจเข้าวูบออวูบเข้าวูวบออกมันก็สูบลมอย่างนั้นะ <laughs> วูบบับบับบับบับใช่ไหมฮะเอาตรงนั้นเป็นฐานสมาธิก่อนกําหนดตรง น, นั้นเป็นฐานสติก่อนเอาสติฝากไว้กับตรงนั้นก่อนกําหนดไปกําหนดไปกำหนดไ ป, ดไ ป, ดไปเดี๋ยวนานๆเข้าไอสภาว่าที่มันวูบบูบเนะ่ยมันก็จะแปลสภาพเองให้ท่านใช้สติพิจนาอยู่ตรงนั้นแหละ ถ้าถึงว่านานไปานานไปมันก็อาจจะแผ่ออกมาเย็นสบายคล้ยๆแผ่เป็นแสงรอบนั้นนี่เรียกว่ากำหนดให้ถีเข้าถีเข้ า, ขาทีนี้หรือว่าสารสภาวะที่วุบวนั่งเคลื่อนลงไปรุบจะไปเห็นเครื่องหมายกากระบาดหรือเครื่องหมายบวกนะฮะเหมือนเครื่องหมายบวกนี่อยู่ข้างในนั่นแหละสีก็นี่ลักษณะเหมือนกับจะดำไม่ดำทีนี้กำหนดไปกำหนดไป เด้ตัวนั้นมันก็จะเปลีสภาพอยู่เหมือนกันตรงบนเครื่องหมายนะั่นจะเหมือนเราเอาไฟเนี่ยจุดอาช่มน้ํามันเศษผ้าชุบน้ํามันนะจุดจุดไฟแปบแป๊บท่านบให้กําหนดเป็นเกิดดับเอาได้แต่ ว, ว่าท่านจะกําหนดแบบไห น, นตรงนี้กําหนดไปกําหนดไปก็เท่ากับภาวนานล่นะอ่ทาทำไปทำไปเดี๋ยวไอ้เครื่องหมายบวกนี้ก็จะถูกอมและลบ ลบเครื่องหมายก็จะเป็นสภาว ะ, ะเป็นแสงสว่างอยู่นะทำไปอย่างนี้นทาให้นานกำหนุไปเรื่อยๆเอาเป็นฐานสติฐานสมาธินะฮะนานไปนานไปอีกเมื่อสติสมาธิตรงนี้พอมันก็จะเคลื่อนลงไปอีกหน่อยยุบเป็น uk, รกรนะจกใสๆเล็กๆนตรงนี้ก็เป็นฐานสมาธิจิตอีกขั้นตอนหนึ่งนะตรงนี้ถ้าสมมติว่าท่านใดที่สามารถ กำหนดให้แข็งแรงพอจิตติสมาธิเป็นหนึ่งเดียวนั่นเข้าเบาเบาเบาเบาเดี๋ยวมันจะ พ, กพอกพพิกแล้วอยู่ท่านไม่ต้องไปปกครองในะตรงนี้นะเออนั่งดูได้สบายถอนขึ้นก็ไม่หายเอากำหนดลงก็ไม่หายอันนี้คล้าๆกับว่าแข็งแรงพอสมควรตอนแรกๆจะต้องรักษาต้องทดสอบทดสอบให้เข้าใจดึงขึ้นมาก็จะไม่เห็นตรงเนี้ยตรงเครื่องหมายเหมือนที่พูดถึงดึงขึ้นมาเอกจะเป็นภู อ้บบนี่นะนี่ตรงเนี้ยทาให้ชำนานนะครับถ้าไม่ชำนานพลิกไม่ได้กำลัง <c oughs> จติตสมาธิไม่พอถ้าสมมติว่าเราอยากจะรู้ว่าเราหายใจช้าหายใจเร็วเนี่ยเอาตรงเนี้ยมาตั้งที่ใต้เรานมเนี่ยเราจะรู้รู้เหมือนกับเครื่องวัดลมหายใจเข้าออกนะฮลองทำดูผมเคยฝึกมาผมเคยทำมาผมเห็นเป็นอย่างนั้น เห็นยังไงก็เล่าให้ฟังอย่างนั้นนะพวกท่านทั้งหลายที่ฝึกพองยุบมาแม่ท่านไม่ทราบว่าท่านฝึกแบบไหนถ้ามาถามว่าวัาเป็นยานอะไรหลวงพ่ออาจารย์ท่านจะมาถามผมเลยผมบอกท่านไม่ได้เพราะผมไม่ได้เรียกยานผมเรียกสภาวะที่ผ่านทางผ่านเนี้ยถ้าอยากเข้าใจยานไปถามตำแหนักที่เขาสอบยานนะครับที่ผมพูดมาให้ฟังนะเป็นยนันอะไรไปถามเขานะครับทีนี้อย่างพระที่ไปฝึกมาจากพม่าก็เคยมาเล่าให้ผมฟัง สายพมา่านี่ท่านบอกว่าไปติดกราปะกราปะนะครับมันจะมัดกันเป็นฟ่อนฟอนนี่สภาวะที่อยู่ข้างในตามตามข้อขาข้อแ ข, อขอนข้ออะไรแล้วแต่จะเห็นคล้ายๆเป็นขาเขาเนี่ยผมผมดูไปมันเป็นเขาเขามัดกันมัดไปมัดมาเตียรขาดกันอยู่ตรงนั้นนี่อาจารย์วินเซน์ที่มาจําำภาษาอยู่กับผมไปอยู่กับพม่ามาห้าปีประเทศพมา่าติดอยู่ตรงนี้ประั้น ท่านมาอยู่กับผมเมื่อ46ปี46นะครับมาเล่าให้ผมฟังหลังมามาจํารรษาอยู่กับผมพรรษานึ่งท่านเป็นพระที่เกิดจากพลังเสด็มาบวชเป็นพระไทยอยู่ที่วัดหลวงพชาเนี่ยหลวงป้าพงเนี่ยรุ่นเดียวกับเจ้าวัดองค์ปัจจุบันนี่แหละสามสิบกว่าพรรษาแล้วนะครับอันนี้ท่านท่านมาจากพงษ์ยุคนะ ที่สายพม่าเนี่ยจะติดข่ายอยู่ตรงนี้เป็นเป็นส่วนมากว่าอย่างนั้นท่านมาเล่าให้ผมฟังท่ท่า น, นก็มาศึกษาหลักการปฏิบัติทางบ้านเราเนี่ยท่านบอกว่าผมมีโอกาสปฏิบัติน้อยไปว่างั้นเพราะท่านมีความขยันเรื่องการศึกษาเรื่องการเรื่องพิธีกรรมท่านพูดภาษาไทยก็ได้ภาษาบาลีท่านก็แปลออกหมดนะ <nephew> ท่านไปอยู่สีรังกาเข้าปีเนี่ยองเนี่ยกลับมาจากนน่นเข้ามาจําพรรษากับผมท่านก็ออกไปอยู่เกาะบาหลีนะระจําพรรษาที่ประเทศออสเตรเลียท่านบอกอย่างเนี้ยทีนี้ท่านอยากศึกษาเรื่องอาณาปานสติท่านมาถามหลักการที่ผมเนี่ยแหละว่าปีสีท่านได้ส่วนนี้ท่านก็ออกไปเพราะท่านทําวีซา่าทัวร์ว่างั้นท่องเที่ยวหรือมาอยู่นั่นไม่ได้เดือนหนึ่งก็ต้องไปต่อที่เดือนหนึ่งก็ไปต่อที่ ก็ลำบากไม่ได้ทำทาวก็เลยไปจำบรรษาอยู่ที่บาลีไอ้ออสเตรเลียอันนี้ท่านบอกว่าท่านอ่อนการปฏิบัติสมัยอยู่กับหลวงปู่ชาหลวงพ่อชาท่านเรียกอาจารย์ได้ยินว่าหลวงพ่อชาเนี่ยพูดให้ฟังว่าหลวงปู่มั่นเคยบอกว่า ให้ทำสมาธิในลักษณะของไอ้น้องนิวเนี่ยที่เคยพูดให้ฟังไปทีแล้วก็คงจะนํามาเล่าให้ฟังใช่สติอยู่กับลมว่างั้นนี่บอกบอกอาจารย์วินเซนต์ว่าใช่สติอยู่กับลมมัน <c oughs> มาตรงกับหลักของหลวงปู่ชาไอ้หลวงไอ้ปู่มั่นบอกหลวงพ่ชาท่านก็เลยศรัทธาเรื่องเนี้อาจารย์วินเซนต์เนี่ยศรถถัทธาน้องนิว อานงนิวว่าถ้าเอาอะไรทำสมาธินี่ยบอกคมว่าใช้สติอยู่กับลมนะคือคือบอกลักษณะว่าคือถามอย่างนี้ถามว่านงนิว้วฝนจะตกไม่ตกทําไมถึงรู้ใช้สติอยู่กับลมเพแบบนั้นควรจะไปควรจะมาทําไมถึงรู้ใช่สติอยู่กับลมอะแล้วทำไม่ให้ฝนตกใส่รุ่งชูสักดิ์ทำยังไงใช่สติอยู่กับลมอะไรก็อยู่สติอยู่กับลมทั้งนั้น คือหลักอนนาปานนี่เองคือสรุปออกมากคือหลักอนนาปานอาจารย์อาจารย์วินเซนท่านตีความว่าอยู่ตรงนี้เองท่านได้ตรงนี้แหละท่านก็ออกไปเพราะว่าท่านบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยที่มาอยู่กับอาจารย์ชาหรือหลวงพู่ชาเนี่ยท่านเรียกอาจารย์ท่านพูดว่าหลวงปู่มั่นบอกว่าให้ฝึกสมาธิใช้สติอยู่กับลมมันเป็นหลักเดียวกัน น, นั่นแหะ นเองท่านบอกว่าท่านเข้ามาอยู่สามเดือนผมมีกําไรคุ้มค่าเพราะเมื่อก่อนผมอ่อนการปฏิบัติผมก็ชาพูดให้ฟังผมก็ไม่ค่อยได้เอาไปปฏิบัติว่าอย่างนั้นนะนี่นายโยมถ้าอยากรู้เรื่องนี้ลองดู <c oughs> อันนี้ไม่ใช่เอามาพูดโปรโมดเด็กนะคือไม่ใช่พูดเฉพาะฉันพูดกับโยมกับไหนตอนไห น, นก็แล้วแต่พระก็แล้วแต่ฝึกสมาธิใช้สติอยู่กับลม จะรู้รอบตัวอยู่ในทศพลยันด้วยเนี่ยคืออานาบานสตินี่เองแต่ว่าอย่าพยายามเอาความอยากไปใช้ให้ตั้งเป็นตัวขุศลตั้งเป็นตัวบุญคือฝันไหวทําแบบเราสร้างบุญสร้างขุศลให้มันเกิดโดยที่เราทําไปตามหลักการถ้าอยากได้เกินไปไม่ได้เขียนเอาไว้ที่ข้างฝาศาลาและทหลังเก่าที่วัดป่าเนี่พันธุนว่า โลภมากหลับหายอยากได้หลายสิตายซ้ำฉันเขียนเอาไปมีคนไปถามหนูทาไมเขียนอย่างนั้นมันมันโกจิตตายแล้วอยากได้หลายโพดไม่กินข้าวไม่กินน้ํานักเขากล่มก็ใส่เอาเลเน้อยยมเนาะใช่ไหมยมเอ้าอยากได้หลายจนไม่กินข้าวไม่กินน้ําก็จิตตายตอนนั้นว่าคนเขาไม่ยังไงนี่นี่พูดเรื่องหลักการปฏิบัติเนาะมาสองอย่างเนี่ย ยมจะเอาหลักไหนก็ได้แต่ภาวนาว่าสัมมาลหังสัมมาละหังครูบาจารย์เก่าท่านมีอย่างหลวงปู่สมเด็จไก่เทือนนั่นท่านขึ้นกรรมาฐานภาวนาตอนเลิกใช้สัมมาละหังนะมีมาก่อนวัดปากน้าสมัยเก่าโน้นเวียงจนนันน์โน่นรบพรีก็เหมือนกั น, นยุทธยามอนกันต้นรัตนะคือหลวง สำเด็จสำเด็จพระสังฆราชเกยเตือนก็ใช่อันเดียวกันคือทําให้มีอุบายให้จิตสงบเพราะจิตสงบพอสมควรแล้วเราจะปรับเปลี่ยนยังไงก็ได้นี่คือทำสําหรับผู้ที่ค้นหายากฝึกยากก็ต้องหาอุบายให้สงบก่อนเราจะลัดไปที่นาวิปัจฉนาเลย อ, อาจจะยากน ะ, ะสําหรับผู้ที่ทํายากให้หาอุบายทําสมถะก่อนผู้ง่ายๆไปอย่างนั้นเถอะ มันมันได้กำลังได้ฐานได้ศรัทธาตรงขั้นเริ่มต้นแล้วเราจะดำเนินต่อไปในตอนข้างหน้านั้นยังไงก็ได้นี่คุยกับโยมมานานพอสมควรนะเนี่ยนะเมื่อไหร่แล้ครับทำเมื่อแล้วผมก็จะพักตอนนี้แหละนะยังอยากฟังอันไหนอยู่ที่ไนผมก็ไม่มีอะไรจะเล่าให้ฟังหรอกก็นี่มาคุยกันคุยกันเนอะท่านอย่าเพิ่งเชื่อผมนะ เอาไปทดสอบดู ก, ก่อนเอาไปลองดู ก, ก่อนถ้ามันเป็นอย่างที่ผมว่าท่านจะเชื่อกับเรื่องของท่านไม่เชื่อกับเรื่องของท่าน <c oughs> นะครับ <c oughs> อันนี้สงฆ์เมตตานี้มีอันนี้สงฆ์มากครับพุทธเจ้าถึงพยายามให้พระเราแช่บุตเป็นเมตตานะครับท่านจะไปทำตัวดงตัดอยจะไปที่ไหนก็ช่างให้พยายามตั้งจิตแผ่เมตตาเอาไว้ให้มากๆไม่ต้องไปหาคาถาเสกป่าเสกดงหรอกครับพุทธเจ้าให้ใช้เมตตา เยห็ในในตำราในพระสูตรไหมว่าสมัยพระที่ไปเจริญสมณธรรมอยู่ในป่าเราก็ถือว่าเรานันพอแล้วเก่งพอแล้วลูกเทวดาหรือสัาว์ทนที่เขาไม่พอใจอถ้าให้เกิดไอเกิดจามเกิดอะไรเป็นไข้วัดไข้อะไรไข่ขไขนกไม่ใช่ไข่นกเนาะไข้วัดสมัยนั้นอ้าวทีนี้อยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับกลับมากลับทุนถามพระพุทธเจ้า พระเจ้าบอกให้เอากรณียมีตันสู่ไปเจริญไม่ใช่ไปขับผีหรอกนะครับนั่ไม่ใช่นะจะไปเข้าใจอย่างนั้นนี่นจะคิดว่าเรามีอาวุธดีแล้วไปใช้กับเขาท่านให้ไปเจริญเมตตานะครับการมีเมตตาเป็นอาวุธเนี่ยอ น, นิสงส์เมตตาทุกท่านที่สวดมาที่เจ่มาก็คงจะเข้าใจดีมีอ น, นิสงส์มากมายแค่ไหนเพีงไรผมเชื่อแน่ว่ามีแน่นอนสมัยผมทําทุโลนวัดอยู่ แต่ไล่เข้ามาหาก็เป็นมิตรเสียงที่ไม่เป็นมงคลก็เป็นมงคลนะครับอันนี้เชื่อว่ามีแน่นอนแต่ว่าอย่าไปทําใหญ่อย่าไปทํากลางต้องมีณโมอยู่ในใจมีเมตตาอยู่ในจิตนะครับแค่นี้นะนี่คาถาดีค <c oughs> าถาชดคาถาเลยเนี่ยบูชาโนบน้อมพระรันตนใจโนบนอมพระขาวาแล้วเราก็เพเมตตาพอเพเมตตาแล้ว เราจะทำฝึกสมาธิในแบบไหนอิริยาบทไหนก็ทำไปมีอะไรสะดุดให้ตั้งจิตเพียเมตตาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาใกล้เราที่จะเป็นศัตรูเลยกลายเป็ น, นเสื้อเข้ามาก็ไม่ทำอะไรหรอกผมเชื่อได้ถ้าท่านมีเมตตาจริงๆให้ปีจิตเป็นองค์เมตตานะครับจะไปทดสอบนะแล้วยังไม่ใช่มีจิตเป็นองค์เมตตาจริงๆไม่ใช่ หมูจงอางก็ไม่กัดท่านหมูป่าก็ไม่ทํำอะไรนะครับมีก็ไม่ทํา อ, อนอนหลับอยู่ก็ไม่มีอะไรเขาจะมีเหมือนกับท่านว่าเออเหมือนมีเทวดารักษาก็คือบุญท่านนั่นแหละกุศลท่านนั่นแหละรักษาท่านเองนะครับจะขอลองว่าถ้าท่านไปตั้งสัรษะอธิษฐานไม่จะปรากฏอยู่ตรงนี้แหละตลอดสามนาีก็ดีหนึ่งนาทีก็ดี มีอะไรเกิดขึ้นถ้าท่านไม่แข็งพอต้องระวังจิตนะครับยาได้ถ้ามอบกายถวายชีวิตเข้าไปแล้วยาได้ถอนกฎหนีไปนั่นขาดท่านจะเสียสัจจะอธิษฐานเหมือนกับที่ผมพูดชีวิตท่านก็จะเป็นพระโลเลลมเหลวต่อไปทำอะไรไม่บรรลุเป้าหมายทำแล้วทำอีกตั้งแล้วตั้งอีกแตกแล้วแตกอีกขาดแล้วขา ด, ขาดอีกขาดสัจจะอธิษฐานนะครับ ถ้าตอนต้นทําดีก็จะดีไปเรื่อยๆเพราะอะไรท่านเห็นคุณของศัจจานิฐานและเมตตาที่ท่านแผ่วไว้นะฮะเหมือนกับที่ผมพูดว่าเออเอาอันนี้มาทดสอบแล้วก็ผ่านได้นู่นทดสอบแล้วก็ผ่านได้อยู่บ้านก็จะมีอย่างอื่นทดสอบนะถ้าท่านไปตัง้งศัจจานขึ้นอย่างนั้นเอาไปอยู่ในกติหลังนี้เออเราจะ ฝึกสมาธิตรงนี้ตั้งสัจจะอิธานปิญญายันตะต่อพระรั ต, รตนใจเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านจะนั่งภาวนาเดินภาวนาอะไรก็ช่างนอนภาวนายืนภาวนาเดี๋ยวมีอะไรมาทดสอบอาจจะเป็นเพื่อนกันพวกกันหรือโยมก็ได้มาทําอะไรว่านมาทําอะไรเปเมื่อก่อนไม่มาทําสมาธิไม่มาปฏิบัติทำทําไมแม่ไม่เห็นมาทำเรื่องนี้ไม่เห็นมาทําอย่างนี้เดี๋ยวท่านจะได้ไป มีมวยปากกับเขาหรือจะมวยจริงก็ไม่ยังไม่ทราบอีกนะเนี่ยระวังไว้นะโยมนั้นเนี่ยมันจะเสียอธิฐานเนี่ยตรงนี้เองง่ายๆ่า ย, ายนิดเดียวอยู่ป่า ก, ก็เป็นได้อยู่บ้านก็เป็นได้แต่อะไรจะทษท่านยังไม่รู้ดีไม่ดีหรือว่าแม่ป่วยหนักอขามาตามก็ไม่ตลอดสนาทีก็แล้วตายไม่ตายก็ต้องไปเนี่ยใช่ไหมครับเนี่ยคือเรื่องที่ถ้าอยู่ในบ้านมันจะมีอย่างนั้นนะถ้าท่านไปตั้งขึ้น นี่นแสดงว่าท่านกําลังจะได้ธรรมะถ้าท่านผ่านได้ท่านกําลังจะได้ธรรมะนะ น, นี่ตรงนี้เองแต่ว่าจะเป็นเหมือนผมทํามาแล้วเปล่าไม่ทราบจะลองรู้ก็ได้ <c oughs> นะครับเอาแต่นอกคุยกันมา น, าน้นพอสมควรน่ะก็ขอ ข, อขุศลนพลนบุญส่วนนี้จงตามประครับประคองให้ท่านทั้งหลายจงบรรลุเป้าหมายที่ท่านตั้งเอาไว้ดีแล้ว ขออุปสนส่วนนี้ให้จงอุปธรรมคำช่วยท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและหน้านที่การงานะจะเนึ่งจะคิดจะปรารถนาสิ่งใดซึ่งไม่เคยกว่าวิสัยของบุญอุศปสนจะตอบสนองความปรารถนาของท่านแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นนั้นจงทัน่ับตอบสนองความปรารถนาให้ท่านทั้งหลายจงทันประสบความสําเร็จความสําเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาจะในทางที่ดีที่สูกที่ชอบที่ควรจงทุกท่านทุกคนพลิน